I'm gonna be your one. I love it. แล้วก็นางคุบข่าวลงดูต่อหน้าพุทธรูปยกมือพนมไวว้แล้วก็อธิษานเสบ็จวาขอให้ลูกได้ไปยังที่ที่ลูก กับโนว่าเกิรอิ่มน้อยเจ้าจะนำน้ำทิพย์เหล่านี้ไปชำราวิบากกรรมของสัตว์โลก จะมาชำระว vale ิบากกรรมให้กับโลกมนุษย์และสัต์โลกทั้งหลายนอกจา และประเหตุใดจึงจะต้องใชน้ำตาขององค์พระแม่หลอดเจ้าขาพระแม่ท่านก็ส่งยิ้มแล้วก็พูดกับหนูว่าก็เพราะว่าเราเป็นประมารดแห่งสามโลกเรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือและปลดสัตว์โลก เราจึงมีความศักิสิทธิ์อยู่ในน้ำตาหากน้ำตาของเราไหลออกมาด้วยความเป็นทิพย์หรือด้วยความตื้นตันที่ไม่มีทุกข์ใดๆ อันอิ่มน้อยเจ้าจงเอาน้ำตาทิพนี้ไปใส่ไว้ในเจกันแล้วเจ้าก็จงไปทำอามที่มีคำสั่งส่งสั่งกับเจ้า ดินแดนมายัมดินแดนสุขาวดีเพื่อมาทำตามที่พ่อแม่ท่านบอกเมื่อหนูกลับมาถึงที่ดินแดนสุขาวดีซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมในส่วนมนของเพ้าแม่คนพิมห น, นูจึงเดินขึ้นไปในตักหนักของพแม่คนพีกกนมผมหลับและหนูก็เดินขึ้นไปเหยียดเจคันของพ่อแม่ ที่วางอยู่บนหิมหนดชิงเทน้ำตาทิพย์ขอว่าแม่หลับี้แสนไว้ในเจกันเมื่อนั้นก็มีเสียงบอกว่าจะแเทกันแววาวเต็มไปหมดแล้วก็มีกินหอมีแสงแวววาวออกมาเป็นงปรกายประกายเป็นช่ช่วง แล้เมื่อ น, นั้นหนูก็นั่งลงแล้วอธิษานที่ว่าขอให้พุทธานุภาพของความ เจ็ดวิญญาณทุกๆดวงให้ข่าเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์และหลุดพ้นจากอิเลตันเฮทัมโพว์ขอส่งวิญญาณความสมบสุขใครที่เป็นคนบาปก็ขอให้กับใจใครที่เป็นคนดีก็ขอให้เจริญรุ่มเลืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ ฉันอีิษฐานสิเพาแบบนี้เสร็จ เร่งหล่านี้ต่ยังที่ใดก็ขอให้ลูกทรงปทึกที่นอนด้วยเธอและแล้วก็มีทางบันได ส, สุยหลงอาจะข้าบนเป็นบันไดทีแล้วก็มีเหล่าจะแม่คนทีนั่งกันเต็มสองข้างบันไดจงเค้ื่นไปข้างบนโดยจึงอธิ่ฐานคิดว่าขอให ลอยขึ้นไปอย่างที่ข้างบนด้วยเธอและทันใดนั้นดอกบัวขนูก็ลอยขึ้นไปจนหายเปใ น, น, นเมฆสีขาวๆแล้วก็เข้าไปสู่แดนอีกแ่งหนั่งที่นั่นเป็นยินดี เล็กต้นไม้ใหญ่เต็มไปหแล้วก็มีสวนดอกไ ม, ม้มแีแมลงมีเพื่นบินตรงนอกมาเทมไปหมดหนูก็ยังสงสัยไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าหนูไปไหนและไจพบใครแต่หนูก็ายทามคำสั่ที่หนูได้รับมาจึงเดินตามทางน้ำไปเรื่อยเื่อจนไปพบกับ อีกแบบหนึ่งก็คือพระอรหานองค์หนึง่งที่อยู่ในนิพานแต่เป็นพระอรหานตีหญิงตืนหน้าร้องพบพระแล้วก็พูดว่าพ่อแต่พ่อแมอ่เจ้าขาวันนี้ ล, นนลูกคิพยจัดให้ลูกได้มาฝ้าบ่อแม่เพื่อนำ กรสาธิบของพ่อแม่กอนอิมนี้เข้ามาด้วยหากพ่าแม่ท่านจะมีอะไรที่จะแนะนำลูกขอพระแม่ท่านโปสอแม่ตา ิตปีญญาที่ยังไม่หลุดพ้นเม่เธอเจ้าค่ะลับะแม่ท่านก็ชมพหทธคงว่าเอาล่าะคนอีกน้อยแบนกออกมาสิลูกเมื่อหนูแบนมักออกมาน้ำตาทิบย์ของพอแม่คนอิกก็าหายไปจักที่มือของหนูแล ขุนกับพ่อแม่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าแม่ขาพ่อเห็นใจน้ำตาจางหายไปแล้วหรอเช้าข่ะปรากฏท่านก็ทรงตอบกับหนงว่าเพราะน้ำตาทิพย์ก็มีความเป็นทิพย์ของมันอยู่แล้วในมือละโลกเมื่อใด้อะไ ที่หมาแล้วเช่นเดียวกันส่วนลูกก็เช่นเดียวกันนะลูกทำงานคนดูเสร็จลูกก็จะต้องหายไปจากที่นั้นเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยหากจะหายไปเราก็ได้ทำคุนงามความดีช่วยเหลือ วิญญาณที่เขายังไม่หลุดพ้นก่อนที่จะหาไปยังไงล้ะลูกเพราะฉะนั้นนำตาทิตของซาม่าก่คนอิมที่จะกลับไปช่วยเหลือผู้อู่ได้ก็จะเหมือนมนูยังไงล่ลูกที่จะต้องนำพอทำคำสอนกลับไปเผยแพ่และช่วยเหลือผู้คนดวงจิต ที่ยังไม่หลุดพ้นเพื่อจะได้พบกับความหลุดพ้นยังไงล่ะลูกเพราะฉะนั้นตันนั่งใจทำงานแล้วก็กปิดตาทํทำคำสอนหากหนูหมดเวลาที่จะอยู่ที่นั่นแล้วหนูก็จะได้กาดเซน อาทิปของเจ้าแม่คนอีนที่หลังบาปให้กับโลกและช่วยเหลือลมเจ็ดเหล่านั้นให้หลุดอพอ้นยังไงหลานจาโลก เพื่อข้าพระคุณพแม่ท่านแล้วพร อ, องคท่านก็ชงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปใต้ต้นไผ่แห่งหนึง่งพระแม่ท่านบอกว่ามานี่ใช่ลูกหนูซึงลุกขึ้นแล้วก็เดินตามพระแม่ท่านไปที่ต้นไผ่แห่งนั้นเมื่อหนูไปถึงที่ต้นไายแห่งนั้น ฉันพ่พแม่ท ah! ่านว่าพ่อแม่น้าหาพ่อแม่มีอะไรที่จะชี้นำชี้นะนุนหลัน้าขาพ่อแม่ท่านก็จึงอกัว่าเอาละลูกนูลองมองลงไปในสาะน้านั้นสิเมื่อหนมองลงไปก็มีปลาสตัวว่ายหน้าพันอยู่มีตัวเล็บ กับตัวใหญ่พอแน่ท่านจึงพูดกับหนงวา่าถ้าชมมตดมันก็จำเป็นแม่ลูกกันแต่ว่าลูกก็เปตัวเล็กแม่ก็เป็นตัวใหญ่นูลองดูสิพอชองตัวนี้มันเป็นยังไง เขาพูดกับพ่อแม่กันว่าตัวเล็กแล้วที่เป็นลูกเขาอให้เกาะพราเป็นแม่แล้ว็ขาไหว้น้ำตามกันไปเส้าคาซึ่งพ่อแม่ฉันก็ส่งบอกกันนว่าแล้วถ้าหากว่ามีคนมาเจอแล้วจะจับเขาจะจับตัวเล็กหรือตัวใหญ่ล่ะลูก ฉันตัวที่เจ็่กว่าอยู่แล้วทีว่เจ้าขาเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าความแม่ทนายพูดกับหนูว่าคนเรานน้นก็เหมือนกันหากเราทำตัวให้เล็กๆมสมบเงียบเยียวยาตัวเราก็สบาอนคยใส่ทุกชิ้นทุกอยา่าง ว่าเราจะทําตัวว่าฉันใหญ่ฉันมีความเป็นผู้นําเหมือนพู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นเจ้าเป็นนายโอหังอ้วกแล้วก็ทําตัวเป็นคนที่มีอํานาจมีความเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในตัว ว่าเจอค่ะคนที่ไม่ดีเขาว่าจะจับเราไปก่อนอเพราะฉะนั้นการที่คนเดาวจะไม่โูนจัไปกินก่อนนั้นก่อนที่งานของเราจะสำเร็เราต้องเป็นคนที่ท่ต้นแล้วก็รู้จักในสิ่งที่แพง อยาให้คนอื่นขอรู้สึกอยากจะจับเราไปกินความพยายามทําตัวให้เล็กๆเพราะคนที่เล็กๆเว ล, ลาจับไปไหนก็ว่งไวจะทําใหรก็ว่งไวแล้วก็ยองปลอดภัยจากกันทรลายจะใสายตาของนคนอื่นอีกด้วยหนวดซึมคิ้นแล้วก็พูดกับพ่อ เจ้าค่ะตอนนั้นถ้าฉัช้อนให้หนูรถจักรมต้นไม่เย่อหยิ่ไม่โอ้อวดตัวเองและคําสอนนี้ก็ต่อชอนให้คนอื่นและเช่นเดียวกันห่างเราไปทำงานหรือว่าอยู่ในที่ใดใดแต่เราชอบทํำตัวเป็นใหญ่โอ้อวดเมื่อคนอื่นเขามองมาเขาก็นำหมันใช่เรา แล้วเขาก็เดจะหาทางเล่นงานเราใช่ไหมเจ้าคะต่อาตมาท่านก็ส่งจิ้มแล้วก็พูดว่าใช่และเจ้าคะก่นอนจิ้มน้อยหนูก็เชิญพบว่าข่าวมแม่ท่นว่าแม่าาแมถาและแม่มีคมํำสอนัอะไรที่ต้องสอนและหนูนําไปบอกเธออีกมาด้วยจ้ะ ก็ชมพูว่าเอาลหนูเดินมาทางนี้ใช่รูกหนูว่าเดินทางมาแม่ท่านไมเรา้วแม่ท่านก็ชมหยิบไม้มาสองอันอันหนึ่งก็ยาวอันหนึ่งก็ชันพอแม่ท่านบอกหนูว่าเอาละคนพีมน้อยมีไม้อยู่สองสองอันเนี้ยอันนึงยาว นหนูจะเลือกอันสัน้นหรืออันยาวหนูซึ่งทูลขอพ่อแม่ท่านว่าถ้าก่อนหนูจะเลือกหนูก็เลือกอันสั้นัพราว่ามันชั้นแล้วข้อไปไหนมาไหนสนดวกเอาไปไหนมาไหนสะดวกแู่ว่าแม่ท่านก็ชบพูว่า เด ส, สอนหนด้วยทรรมะจากมาส้สองท่อนนี้แหละไม้ท่อนที่ยาวก็เปลี่ยนผันคนที่มีความก้างใจเรมีองราวความอยู่มีหน้ามีตาและมีชื่อเสียงจะไปในหน้า เป็นไม้ที่แข็งไม่สามารถที่จะหักให้น้อมแล้วก็อ่อนลงได้ก็จะเป็นไม้ที่ไปไหนมาไหนก็จะลำบาก เปบเสมือนเป็นคนที่อยู่ในสังคมไม่กว้างและไปไหนมาไหนก็ไม่ลำมากแต่หากเป็นม้าที่แฉนที่ไม่สามารถใช้สัญได้ ก็ไม่ไดับเพื่อรอดไปตามช่องได้ก็จะหักและจะไปไหนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นไม้สั้นหรือเป็นไม้ยาวแต่ลราต้องเป็นไม้ที่รู้จัก ว่าเราจะมีความยาวแต่หากดัไ ด, กก ด, ดได้เราก็จะสามารถลอดขึืนลอดลดทุกช่องไปในทุกที่แต่หากมันไม่ยอมให้ดัดได้เลยเมื่อดัดปุ๊บเราก็สักงไปและหมาที่สั้นก็เส้นเดียวกันถึงแล้ว่าจะเป็นหมาที่อยู่ในที่แค่และสั้น อยู่ในสังคมที่แค่กว่าและมีน้ามันที่น้อยกว่าแต่หากเป็นไม้ที่แข็งก็จะไม่สามารถที่จะดัดหรือว่าทำประโยชน์อันใดได้มากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นไม้ที่นิ่มและก็ดัดได้ลอนได้ทุกขึ้น แบบเสมอนถ้าเกิดเป็นคนเราก็จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าเราจะเป็นมาที่ยาวหรือเป็นมาที่สั้นเราก็จะต้องมีความนิ่มความขนอยู่ในตัวของเราเราจะได้ไม่หักหักดนดอกและเราก็จะได้ไม่ผ่านไปในบางจุดไม่ได้ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอมตนต่อสุกที่ทุกอยังไม่ว่าเราจะเป็นในรูปแบบไหนขาถามนั่นลูขอจะท่านพูดจบเราจะบอกว่าแม่ท่านว่าเขาทำหลังโขคาแม่ขายเท่นั้นตอนบ่านี้หนูก็จะเตรียมมาที่บ้ามาชอบ เช้ชอนให้รู้รอชาติทนินมีสิ่งที่ินเป็นโยไม่ออกอวดไม่เถื่อนเถื่อนหลับย้จะยืนยอยู่ในสังคมได้ใช่มเช้าค่ะปาแม่ท่นกส่งยินมแล้วก็เดินกลับมานั่งหยุดที่เดิมนซึ่งพระข่าวลม เขามานานแล้วแล้วก็ได้ทามาว่บแม่ไปหลายหัวข้อเอยนรศการนรศการลาระแม่และนรเจ้าค่ะแต่ว่าพระแม่เช้าเต็มมีชื่อว่าอะไรและเจ้าค่ะพระโอษฐ์ก็ทรงตอบว่า ผลจากทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่พันก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่มีว่าคอนชิมาวัสตีแม้เป็นอารานที่บันเพน์เราเจอกับความทุกเยอะมากเหมือนกันมากจนตัดสินใจที่จะหลุดผลน ทุกสิ่งทุกอย่าเลือกทางแห่งความหลืดพ้นเดินทางข้าบันิพานแม่ก็เริ่มจากการบวนชีแล้วก็อด พระคุณมาแม่ทันแล้วก็กลับออกมาด้วยอัศจรด้วยพรหารนะดอกตัวขนุลอยออกมาผ่านก้อนเมฆขาวๆหลายๆกอนแล้วก็ผ่านออกมาจนน้ำตกเก้าชั้นนซึิงข้าวไปนั่งพับใบไหนที่นั่นตาสะพัด น, นินหลัเสร็จนั้น ขอที่ น, นแล ข, ข, ขออัายังลกมนุษย์มาสวม่างของมนุษย์แล้วก็คว ม, มาประโชท่านผู้ฟังทุกท่านดังนี้ละจ้าขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขตลอดไปทุกๆคนนั้าสวัสดีค่ะ